<c oughs> ทุกองคทุกคน <c oughs> ให้ทำหน้าที่ของเราให้มันถูกความรู้สึกของพวกเราน่นะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของจิตใจ เรื่องของจิตใจถ้าเผื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาใจคขมฉลาดเรื่องของจิตใจนี่มันจะเป็นอารมณ์ของกิเลสทันหาอารมณ์ของกิเลสทันหาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาฉะนั้นพวกเรามาบวชมา ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกก็คืออย่าให้กระแสจิตใจของพวกเราอยู่ในภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาคืออย่าให้มันเนืกมันชิดไปตามอารมณ์ของกิเลสตัณหาประเภทนั้น ดนั้นคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักที่พวกเราศึกษาได้ยินได้ฟังที่จํากันอยู่ก็คือลักษณะเรื่องศิียนลักษณะเรื่องสมาธิลักษณะเรื่องปัญญาลักษณะคือมันมีอยู่ภายในจิตใจเรียกว่าอารมณ์ อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ลักษณะของศีลอารมณ์เป็นลักษณะของสมาธิอารมณ์ลักษณะของปัญญาปัญญาก็คือรู้จักเลือกปรนเดงเลือกอารมณ์ใจของพวกเราให้อยู่ในอารมณ์ของศีลของสมาธิ ศีนอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์เป็นปกติอันนี้อย่าเลิมอันเนี้ยอันนี้อย่าทิ้งอันนี้อย่าปล่อยอันเนี้ยพรเป็นพื้นฐานที่จะให้มีความสงบสุขเรื่องชีวิตความเป็นอยู่จะอยู่ในฐานหน้ายังไงชีวิตถ้าอยู่ในความสงบสุข มันเป็นกฎธรรมชาติทำให้ชีวิตจิตใจมีคุณค่ามีคุณภาพโดยเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติธรรมนักบวชนักปฏิบัติธรรมพวกเราฟังเรื่องศีลธรรมที่เป็นคำสอนแล้วฝึกตัวเนี่ยทุกโอกาสการเวลาที่พวกเราฟังพวกเราฝึก อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราฉะนั้นอารมณ์ของศีลของสมาธิมีความสำเนึกมีความรู้สึกภายใต้ความสำเนึกส่วนลึกของหัวใจเนี่ยจะให้มันมีอารมณ์ของกิเลสตัณหาถ้าเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมคุณค่าชีวิตมันมีความสงบอบอุอน่น เอาทีนี่ต่อไปให้พวกเรานั่งสมาธิทำความสงบฟังธรรมมาภาคปฏิบัติข็อองหลวงตาต่อไปที่นี่คำว่าธรรม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 เป็นความละเอียดละ อ, อเข้าไปโดยลาดับตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมคือจอมปราดผู้รู้รอบขอบปิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจับและสมบูรณ์เป็นที่ในพัะไถยคือรพระพุทธเจ้าแต่ละองคละองค์แล้ว จึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียมของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอรธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกัน้ัดทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยาชั่วและดีอยู่เป็นประจำ เพราะคำม่โลกมันมีมีได้ทั้งสองฝ่งออายธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอธรรมก็แสดงออกมาได้มั่นคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้จะเข้าใจแล้วแสดงได้ก็จกักค์ับพ่อใจเท่านั้น ใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่งชึ่งเรียกว่าธรรมธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกด้รับความล่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยัง้งพอ มีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพึ่งพิงในเวลาความเป็นจริงก็พอได้เกาะพอได้ยึดเหมือนอย่างความแผดเผาของอัตร ม, มีมากมีน้อยสแสดงึุนภายในกายในจิตของสัตโโลกแผดเผากายจิตของสัต์โลก ก็ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งพิงพอปบเรื่องหรือบรนเทากันไปได้เป็นระยะระยะหากไม่มีธรรมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ที่ปราจะจับตมีแต่โลกล้วนๆแสดงก็ก็คือมีแต่อาธรรมล้วนๆแสดงแกลตาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็น เึ้ื่อนดับไปบ้างเลยนั่นนะโลกร้อน ม, มากตรนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปัญญิกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยสนใจแต่ตามอำนาจแห่งความดึงดูดคือความจุดลาบของอธรรมโดยทายเดียวยอมจะแสดง ความทุกข์ความลาบากและถูกถุดลากไปสู่ความทุกข์ความทรมานโดยให้ความหวังเอาความหวังมาหลอกไปเรื่อยๆไม่มียับยั้ง <c oughs> ไม่มีเศษไม่มีแดงเลยนี่คือเรื่องของอธรรมเป็นนั้นแล้วในระยะนั้นแหละ เป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำมากมากภ า, ายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอพอเราได้มีความรูร้ภายในอัตในธรรมมีสติเป็นเครื่องรักษามีดิปันมีปัญญาเป็นเครื่องกัน่นกรองปัจญบุญนาระยะนั้น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 ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติล้ำลุกคุ่ครานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสะของอิเล็รมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในใจิตใจมากร้อนควาร้อนมากความสายแสความม้าวุ่นขุนนวล ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์วมอยู่ภางในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสะของยีเรศตามปกติแล้วมีความมุนแรงอยู่โดยลำพังตัวเองเสมอนอกจากไม่แสดงผาดกผลนอยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติ เพราะในอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกำจัดตัดป่ากันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายอาธรรมทาหน้าที่ของตนโดยถ่ายเดียวยิ่งพอฟัดอเหียดมันไปได้แม้จะล้มลุกคลุกครานหรือขรุขรวระบาก็ยังมีหวังที่จะได้สงบตัวลงเพราะอำ น, นาจแห่งธรรม พาให้สมบตัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมางานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นคัดแต่งได้ยึดได้ถือเป็นหลักตั้งใจไม่ได้พูดเพื่อเพื่อความโอ้อวดแต่ประการใดดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงธรรมให้บรรดาสาวกหรือแก่ผู้ใดก็าตาม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 อันเด่นในพระไทยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิธีวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นําไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโอ้อวดแม่เม็ดหินเม็ดตายเข้าไปแทรกเลยเพราะธรรมที่แสดงออกมาและพระไทยที่มีความมุ่งหวังต่อศัตว์นั้นเป็นพระไทยที่เต็มด้วยเมตตาเล่อมลวย ยังแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มา ส, สดับตับฟังแต่ละพวกละคณะแต่ละ บ, บริษัทบริวารจะได้เข้า อ, อกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระ อ, องค์ไปพระ อ, องค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนัานๆเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึดเป็นนักเป็นตอนหรือเป็นคณะคณะไปเพราะฉะนั้นการ แสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็ตามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นจักขีพยานก็ตามจึงไม่มีเรื่องคำว่ากู้อวดพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม้นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตารุวนๆที่จะที่เกิดขึ้นในประไทยที่เป็นอยู่ในประไทยว่าทำอย่างไรจัตทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทาง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 นั่นหลักการแสดงออกของพระองค์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เชิงแสดงออกด้วยลวดลายของสัจัญญาที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัก์ทั้งหลายให้ลับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังของสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอานาจวัสนางต น, นจะรับได้มากน้อยเียาไหร่ก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ ที่เราเกี่ยวข้องกับหมูคณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดไดอย่างองค์อาจกล้าหาญภายในความจริงที่เป็มในหัวใจนี้ว่าเวลาล่มลุกคุกคานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมูเพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจเข้าแมวเข้าแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่มีสติปัญญาใดที่จะโท่ขึ้นมา่อทุกับมันได้ แหลก้งหมดถ้ายกถ้าเรายกเป็นข้อเปรียบเทียบก่อนยกมีดขึ้นมาถูมันปักลงไปมีดขาดสะ บ, บั้นลงไปมีดเป็นเหล็กตั้งแทงไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอํานาจของพิเดตมันเชี่ยวจัดขนาด น, นั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียบยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินตับแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นนั้นเหมือนกับคนตั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดิน สถานที่ต่างๆไม่มีมีแต ก, กอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันใสยออกมานั่งคืนน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดหลับถ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจก่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี้เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่น ที่จะอ่อสู้ที่จะเอาให้ได้นี่มันยังมีอยู่เต็มหัวใจแพ้ยอมไม่แพ้อืเวลาแพ้เวลาไม่เป็นท่าเอายอมเวลาล้มล้มแต่ว่าล้มด้วยการจะจะลุกอืแพ้ด้วยการจะเอาให้ชนะหมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นวิธีการที่สุขทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นยาให้จิตมีความสงบกลมเก็ียวยาให้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 วิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูหี่คืนไม่นอนสองคืนสามคืนไม่นอนก็ไม่เป็นท่ารู้จักของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทางานส ต, ติไม่ค่อยดี่อยะจะหลับไม่ดีไม่ถูกเขารู้ พอทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้บางทั้งที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งนั่งมันก็จะหลับเดินก็ขดชูทรัศตัวเซขดง่วงเหนาขดจะจะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่ครวิธีนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ไปกล้าแล้วสําหรับเรางอบเดินมากๆดีเฮ้แต่ที่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ ผ่อนอาหารก้าเข้าสู่ความอดอาหารพอพรอนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดิดถุ ง, งถังพุงถังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคาปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลง ในขณะที่ผอนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของจิเลตตันหาอสุราพาในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายก่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมแต่อันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาเขาค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้ให้ยามฝึกฝนอบรมหลายทั้งหลายผนก็จัดเมื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็าตามเจ็ดแปดวันเก้าวันก็าตาม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 ราคะตัณหามักจ ะ, สะแสดงความรุนแหรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นอืจึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อตัดกําลังของราคะตัณหาที่จะอาศัยร่างกายมีเป็นเครื่องเสริมจิตเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิอืมทันสมัยนี่ทันสมัยของออกิเลสพบไปเรื่อยๆนจนกระทั่งได้อุบาย ติ ก, ก็ค่อยสงบตัวเข้าไปทัศน์ปัญญาเราใช้เสมอแต่สำหรับการอดนี้ยงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามากเอาผมเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาอาวิมุตติพลนไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วย ส, สติปัญญาศรัทธาความเพลียนซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ย ช่วยแต่อุบายของสติปัญญานันเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลาดับลำดาบเห็นเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวที่มันดินนด้นมันดิ้นจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดิ้นตลอดเวลานั้นสมบตัวลงไปเพราะไม่มีกำลังเสริมเนื่องจากตดต้าตัดปัญหา หรือตัดกำลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเ ห, าหงาเข้านอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความเหงาเข้านอนก็มีน้อยน้อยลงน้อยลงหลับชั่วโมงสองชั่วโมงมันถอแล้วทั้งคืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาสร้างตัวอยู่เรื่อยๆการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสําคัญที่จะทําให้จุดก้าออกสู่ทําความเยีเยบคายไปได้โดยลึกลง สมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทําให้สงบปลุ่มเย็นไม่วุ่นวายใ ส, ยส่แสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิ่มสบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของที่เหลือตัณหาทะเลแค่ต่างๆไม่ไม่ไมเปเกี่ยวเนื่องจากทำได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิธรรมสมถะธรรมบรรจุเข้าสูใ่ใจใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือธรรมมาล แล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนําออกที่นิพพิจารณาคําว่าพิจารณาพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคําว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้สั่งสอนอยู่ตลอดเว ล, ละให้เราก็ทําให้เป็นสมาธิเป็นไปไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่า น, นวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความระห่ังแทนความสุขจุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้น่ะดังที่กล่าวนี่ยพราะจะ เลยเรุ่นมุ่คั่นมาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ตรงที่บางเพราะจิตไม่ไม่ว่าวุ่นขุนมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งอยู่ตลอดย่อมมีทักอันนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละหลายห ล, ลายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดมาเป็นแบบโดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถือ อุบาวิธีการที่เราจะอนำมาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบาของตนเองนั่นแหละเป็นของสำคัญควรจะนําออกมาใช้เขาบาพนี่พิจารณาเรื่องก้นสกปรกายนี้เป็นของสําคัญมากสําหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคาโพธิร์ราคาตันหานี่นั่งกายเป็นของสาคัญพิจนะารณาภ า, า, ายในก็ตามภายนกก็ตาม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 ให้อิจมุ่งต่อนิจังจริงพิจนาดูแต่แต่ละสภาพสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหละัหกธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอาตาเหมือนกันเรื่องอริยภาพอริยธรมนี่เป็นของสำคัญมากอยู่ในขั้นนี้ควรจะเจริญอริยภาพธรรมฐานปฏิปุในโสโครเอาที่นี่นิดที่นั่ะเราอยากําหนดเวลาเวลาอย่ากําหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวที่นี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเน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 สต่สำคัญมันหมายว่าสวยบา ง, งามตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกปะตามในกยปตามสําคัญตนม่าสวยว่างามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สาคัญข้างนอกว่าสวยว่ า, า, า, ง, ว า, า ง, งามางงา ม, มัน่ารักให้ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมาเพื่อให้เป็นมาโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกสิ่งนั้นเป็นกองไอจงังเป็นทุกขงังเป็นอาปาสิ่งนั้นเป็นธาต เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟขืนว่าเป็นสัตว์เป็นคนว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของโฉมงามไปทำไมนี่คือเบื่อของนักหมวดพิจะรานหลายครั้งเลยผมจิตซ้ำซากไม่ให้จิตไปไหนให้ยังลงสู่มักคทางโดนเพื่อทะลุปุ่งในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นหน้าตาแท้แห่งธาตแห่งการของเราและธาตขันธ์ของกายก็ตาม ยิ่งย่อมจะปอดโปรงโล่งไปโดยลําดับตําับนี่คืออุบายวิธีอาการพิจารณาทางด้านปัญญาสําคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลําพังลําพังโดยเฉพาะเฉพาะเราจะไปะยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันเพราะฉนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดแต่ขคาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี่เป็นอย่างวานันศุกนี้ไม่ได้ท่างไม่ถูก หากว่าจะเป็นตรงกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็ไมนเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่เราสําคัญในการพปจา่ณามืเมื่อถึงข้าวก็มาถึงขั้นปัญญาแล้วความรู้รูกคู่ขามันมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะอแล้วก็ทราบน่ะทําไมจะไม่ทราบความรู้ลูกคู่านเพราะอำนาจของกิเลสมันเสรจมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรให้ความสงบตัว เพราะการชำนะสาสางความเตะความดานันควก่อกวนของวิเิยะด้วยอดด้วยธรรมด้วยสมาธิธรรมวิริยะวิริยะธรรมและปัญญาธรรมออกโดยกำจัดไปโดยลำดับๆสิ่งนี้ก็ทั้งบตัวลงไปสมุตัวลงไปกายก็มีความฆ่าหารทานใจขึ้นมายิ่งพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นแจม่มแจม้งเข้าไปโดยลําดับมากมากน้อยเพียงไร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 ธรรมะอ น, นิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อริยภาพอริยธรเป็นอย่างนี้ให้มันเห็นในใจของเรามันจึงจะถอนกิเลสได้เพียงธาตุเพียงหมายเพียเพียงบรรดาบรรเทาไปแล้เวเยอะกับกัมเรศเกิดสารขึ้นมาอีกไม่เป็นธาตุเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจกักรประจักษ์ในใจเมื่อเห็นมาะจักษแล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นก็าตามเแต่เรื่องของกิเลสตัณหาล่ะทั้งไปหมดมันจะทนสติปัญญาสตากำเนิดนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพียน พาวิโตพระพุธีก็โตทําให้มากเจริญให้มากอย่าลดอย่าละอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอ้างกับสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ้มอยู่ในความสำคัญของตอนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความคิดอะไรเลยพิจารณานี่พูดถึงเรื่องความรู้ลูกล่านมันล้มมาซะก่อนนั่นแหละ ไอ้ทราบไว้แบบลมได้ลุกได้ถ้ายัางมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้ไน่ะแน่แล้วที่ก็เอียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเที่ยวชานเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติท้งนี้มีสซ่โซร้อนๆอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะยาแต่คาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองนั้นในครั้งนั้นครั้งนั้นสถานที่นั้นทุนั้น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 เมตติสติปัญญาจะทาความเพียรงวดกันลงไปฟาดฟันนัแหละกันลงไปที่ก็เป็นมรรคของเราอยู่ในใจของเราพุดับไปโดยลำดับพร้อมหน้าแข่งสติปัญญาจะทาความเพียรก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนักปฏิบัติดูท ส, สดๆร้อนๆ อ, อย่างเนี้นิเลศก็มีอยู่ ส, สดๆร้อนๆประกาศท่าทายแล้วท่าทายตลอดเวลาท่าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเรา ได้ผิดขึ้นมาก็ท้าทายกับพิเรนกิตตรดเวลาเช่นเดียวกันมันจะมีอดีตอนาคตที่ไหนสัจธรรมถ้าลงยังไม่ตายเป็นปัจจุบันตลอดเวลากับเราถ้าตายแล้วหมดคุณค่าจะเป็นอดีตอนาคตก็ไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละคนตายแล้วนะถ้าคนยังไม่ตายหรืวเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วจะได้เห็นสัจธรรมอย่างประจกักษ์ภายในวงอย่างความเพียนของเรามีจิตเป็นสถานที่หรือเป็นเบที ข้ามผนกับที่เลือทั้งหลายไม่มีที่อื่นเราจะฆ่าจะหมายเครื่องของที่เหลือนั้นถักกันออกไปทั้งนั้นเนี่ยที่ให้ออกร่องรอยของออกจากร่องรอยของทำนี้มีตลอดเวลาให้ระวังไม่อันนี้เราเป็นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบว่านี่คืออุอบายวิธีการของที่เหลือมันถักมันดันเราออกจากร่องรอยแห่งทำแล้วกว้านเข้าไปสูงเรื่อมือของมันเราก็ไม่รู้ อโดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวัฒนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาหุมีนิสัยน้อยวัฒ น, นาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยแล้วแบบทิ้งไปให้อ ด, ดีตอนาคตยุ่งไปหมดออืแล้วทิ้งไปกับหนุนทัน้งพุตธการบ้างอืออดีตบอกมาแล้วเป็นยังไงไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงไงความมดหวังเลยมาอยู่กับเปล่า ความหวังที่เลวไดจกินหมดเลยไม่มีความหมดหวังที่เลวยัดเข้ามาแต่เราส่วนความอเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานีใส่ท้องใส่กินใส่ใจระหวัางหมดหวังอะไรก็ก้าขาไม่ออกแต่ผู้ปฏิบัติก็ก้าขาไม่ออกเพื่อหมดหวังหมดหวังนี่แหละคือถูกทีเลวมันต้มมาักอย่างเปื่อยแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายถ้าถ้าคาดถ้าหมายอย่างนั้น นี่เป็นทางเดินของกิเลสทางนั้นมันขัดมันน้นออ ก, กออกนอกรูปนอกทางกินเราไม่รู้สิพระนจึงบอกให้ทราบวันนี้เป็นอุบายวิธีการกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มถุนโลกมานานขนาดนั้นแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มสุนตั้งตงที่มีธรรมคาสองมือเจ้ามีครูเมียจางผู้นําสังสอนยื่นเครื่องมือให้ตลอดเลยลาควันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลส ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ํา ไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเลสคือกิเลสตังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ทำก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้าลมไฟเช่นเดียวกันทำสติธรรมก็เป็นเครื่องฆ้ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องฆ้ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเปลี่ยนทุกด้านเป็นเครื่องทังหารกิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนสอนลงที่ตรงนี้แหละไม่ที่อื่นเรื่อง กองปืนกองไฟบอ่อเกิดแจกเจ็บตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสําคัญ ท, ที่จะรับความแทรกสิงของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทําใจให้เป็นฟุตบอลกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้ให้เกิดและพบนั้นเกดไปพบนี้ถ้าว่าไม่มีทำแทรกในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวถักดันหรือเหยียบย่ําทํานายไปให้ทําจากความชั่วช้าละโมกอย่างเดียวตกแวลาตายตั้งแต่ก็ตกลงไปนระกอาเบกีนะ มีธรรมเป็นเครื่องแต่งกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดีเกิดเช่นอย่างเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอานาจศาสนานิขิสัตวานุภาพโดยความเป็นธรรมมีสมบัติพึ้งคามบริวาร้วยความเป็นธรรมเ ป, เป็นเทวดาอินทนิลเป็นไปได้สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากคุณกุศลมีมากมมาก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานค้นทุกข์ไปได้เลยนี่อานาจของธรรมเป็นแช่นนี้ เขาจงตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละความภาคเพียงเอาให้เห็นจริงอยู่ภายในใจล้วตื่นกิเลสถูกต้นมุนหลอกมาด้วยความหวังต่างๆมันหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมสมบังกิเลสตัวใดมาะทําเราให้สมบังมี้ไหมราะไม่เคยมีพอนี้มาก็จะกล้าคนนี้มันหลอกคนนีอน้อีกแล้ว พอจะกล้าเข้ามาสูนี้มันหลอกมนุษน์ีแล้วหลอกมนุษย์อีกแล้วไม่เคยให้อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขพอความอิ่มพอเพราะกิเรศจัดการให้พิเรศแต่งให้ไม่พิเลศสร้างบ้านสร้างเรือนพิเลศสร้างสมบัติเงินทองเข้าของพิเลศสร้างรูปสร้างเสียงสร้างปิ่นสร้างรถเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้เสวยความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมี คุณดวารีเหรียแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ทิ้งไปตลอดเวลาด้ดวยความหิวความโหยความรายมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามติดความหวิวความหายมันจะแทกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้น่ะเท่ากองหนึ่งถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกองหนึ่งถ้าได้สองกองเท่า น, นี้จะพอดีจะพอดีด้วยแต่ไม่เคยพอดี น, นี่ยท่านว่านัาทีปัญหาสมานาทีความหิวความโหยความพยันยาาอันใดจะเกิน อตัณหานี่เป็นไม่มีคือแม่น้ำมหาส ม, มุทรก็ไม่เทียบเท่ากับตัณหานี้ได้เลยท่านึงว่านัทถิตัณหาสมาธิแม่น้ําเสมอโดยตัณหานี้ไม่มีน่ะอันเดียแล้วเรายังจะหวังอยู่หรือว่าเจ้าความสุขความพอดิบพอดีจากกิเลตตัณหามันมันตกแต่งให้อ่ะเคยมีพอดีไหมก็บอกไม่เคยมีอยู่แล้วเราจะหาที่ไหนเมื่อมันไม่เคยมีทั้งเสี่ถ้าเคยมีก็ยังจะพอสอบพอสแสดงหาได้เพราะเคยมีเราก็อาจจะเติม เพรามันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเถอะฮ่ก็ไม่จะถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยธรรมะประกาศตังวานอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทํายังไงเอาสร้างความหมังนมาจากไหนสร้างกองมาจากเกียรไม่มีทางต้องสร้างความหมังจากธรรมธรรนี้เคยให้ความหมังนแก่โลกมามากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมธรรมะว่าทําทําไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้มีความล่มจมทิ่หายไปบ้างเลย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 ให้ที่เดียดพาท้ายมันได้เรื่องอะไรฮ ม, มันพาให้จบมามากกว่ามั่แล้วทําไมไม่เข็ดไม่ล่ะมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครก็เข็ดใจตาศีตกาขาเขาไม่เคยสนใจกับอะไรทําอะไรเอาอะไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็าไปรากฏเจ้าไรมาเข็ดผู้ที่สํำนึกในธรรมสำนึกในโทษพิจีตพิจนาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอัตเวธรรมนี้เท่านั้นเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นไัยเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้ บรรดาเส้นนามที่มีอยู่ภายในจิตใจ้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจที่นีพิจารณาผมนั่นเป็นห่วงทุกท่านทันหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยิ่งดูถูกยียดามห่วงจริงๆรับความรับด้วยความเมตตาสงสารไม่รับด้วยความอะไรด้วยความอวดอํานาจศาสนาเรื่องอย่างของนั้นไม่มียอดเรียกว่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบินมีแต่ความเมตตาสงสารหุนทุนพานเพรรมมาปรับปรุปฏิบัติแล้วขอจนให้เห็นใจเราผู้ก็ อบรมแนะนำสองสองว่าเจตนามีต่อทัวท่านขนาดไหนแล้วมั น, นําอันนี้เข้าไปพิจารณาจัวตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาต้องสารตัวเองเห<น>็นแต่ตัวเองโดยอดโดยธรรมมากที่เดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตัวขึ้นมาภายในจิตใจระหว่างทำกับใจกลายเป็นอื่นเหมือนเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแก้ภายในใจแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติรรที่ท่านตัณหาจะต้องได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้เป็นแบนสันรรแล้วเอาได้เอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียว นั่นเป็นสมบัติข่งเราหนีเวลาเรามาศึกษาให้ตางอกสร้งใจทําให้กินให้จ์นักปฏิบัติเวลานี้ร้อยหลอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีนี้ใตส้สอองค์สองค์ก็มีเรื่องเห็นใหม่เมื่อตอนตอนตอน้นต้นปีนี้ก็หลงปูกคําดีตอนปราบปลายปีนี้อีกก็หลงผูกแหวนเมื่แต่แพ็คน้ํำหนึ่งทั้งหนึ่งถ้าเป็นข้างพุทธการน่าจะพูดว่าอย่างไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระารามจะพูดว่าไง นอกจากพวกขนหัวตาบอดมันไม่เคยสนใจกับการทำแบบนั้นมันจึงจะขยักขยแนงในกำว่าบุตรอรหันอาหารมันจะดิน้นล้มดิ้นตายเพด้วยความกระสวดกระสนเพราะอำนาจแห่งชีวิตสรหาเท่านั้นมันสนใจแต่นั่นทานั้นพกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าอารหันต์อรหรันต์นี่ทำไมจะไม่ขยิมยิ้ ม, มย่องล่ะพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไหนที่เป็นอรหันต์เป็นจักรพรรดิของโลกเป็นองค์เช่นไหน ชาวโลกั้งหลายเป็นองค์เท่าไรเป็นตัวเสน่ห์เท่าไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระหลานพูดของผู้ปฏิบัติทำบรรลุธรรมบ้างไม่ได้มันเป็นอะไรทำไมใช่จะเคารพ ก, กิเลสก็จนไม่มีตักไม่มีผงให้มันกินให้มันยักเดียเอา้าพรให้ถึงใจที่ท่านทั้งหลายกิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทําไมมันจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้เออแต่กิเลมันเอาเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงจริงมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความ ทิช่าพยาบาทักษาจงเลีนความเสียดความแคนแต่เราเอามันทู่มันไม่มีเครีมีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะรุ่นดวงเอาให้เห็นกันที่ ค, ค, คุณค่าของเด็ลคุณค่าของธรรมมันต่างกันอย่นในหัวใจเราตรงหยุ่นให้ชัดหมดไปหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมกะดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะเป็นชิดตะกรนครูบาอาจารย์มีหลายท่านองค์องค์นั้นก็เฉลี่ย เี๋าาาาาอาจ้างเงินไปสามัตยยาสตนจะไปหาครูบาอาจารย์นายก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ ใ, ใจด้วยกันทั้งนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่ให้ันแนะนำสอนตลอดการพ า, าดำเนินราไม่สแสดหูสแสตา่างเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ ม, มั่นซึ่งเป็นปฏิบาาัติธผู้พาดาเนินปฏิบติธาที่ลาบเลียที่สุดก็คท่านอาจารย์มั่นในปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ทั้งท่านถึงจะอึงจะแฝกไปบ้เ ล, เล็กเล็กน้อยน้อยไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ในกดเจนของท่าน มันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจคงค์นั่นตาอยู่กับครูบาอาจารย์น้ำอยู่เย่ า, น า, านงนั้นกับครูบาอาจารย์องนั้นเฉลียกันไปก็เป็นน้ำหลายบาทภาระก็พอดีพอ ด, พอดีพอดีกับครอูอาจารย์ที่จะรับนีที่นี่หมดไปหมดไ ป, ดไปทำไงไม่กี่ปีมันแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษดิสโสเป็นทองตั้งแท่งตั้งแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งถ้อหมดไปหมดไปจะจนทัางไม่มีอะไรเหลือแล้วกันทำไงเราจะไม่ตืนต่นเนื้อตืนตัวสร้างตัวของเราให้มันเป็นอย่างนั้นดังหรือ เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เอาให้จริงจังๆดิมั น, จ ะ, น, น จ, จะเป็นยังไงแถมให้เด็ดทำนี้เด็ถึงใจดูสจะเป็นยังไงอยู่กับใครก็มันมันไม่สนิทใจแหละให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีกเดี๋ยวตายใจเลยเ ห, หมดเออท่านั้นพอนนะ่ะครูบาอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนยอยาตะก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากระดุกระดเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อกิด ไ, ได้ถึงขั้นแห่งความบุญคุนแล้ว ต้องเป็นหาแลันยมหาและประเวทีทันทีเลย อ, อชวนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวเป็น่วงไปเหนียวขั้นเหมือนอย่างตะก่อนเหมือนเด็กที่กําลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณของุทธชาธรรมสงฆ์คุณรครูบาอาจารย์นั้นยกไมมีอะไรเทียบเน่ใจของพระรานที่เห็นคุณเพราะใจของพระหลามที่เห็นคุณนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีที่เหลือก็ไปเคลื่อนไปแข่งไปคัดค้านต่างทานบ้างเลยนะเอาให้มันเห็นที่ว่าใจมันลับ ท่านสอนสอนลงในจุดนี้ทางนั้นทางนั้นอยากเห็นอะไรเป็นของประเสริฐของอาจารย์เราเคยยิ่งเลือดล่มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานมานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรมแปดมันดีอะไรที่หมีราสเสริมาสมีโยเสริมโสมินทาสรเสริมสุดทุกแห่งทนี่มันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาัเสริมโลกธรรมแปดนก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทาให้สังหาสิ่งนี home, you will. You will ้หมันแลกกระจายหมดให้เหลือแต่ทำแค่แค่ห่งที่จะเป็นยังไงินทาัเสริมมีไหม เรีกวทำแปดมีไหมมันไม่ได้มีอะไรนี่จะความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความฝังอย่างนั้นแบบนี้หมดพราะสร้างไม่เต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มแล้วความหมังก็สมบูรณ์แล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะอยู่ท่านท่านไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรทีไ่ได้จากธรรมชาติดูตามหลักธรรมชาติตาตถึงการที่บุคนไปเมื่ไป ไม่ถึงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่เสียดายเส่ได้มาอะไรดินน้ำลงไปก็ทราบอยู่แล้วต้องไปยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไร ใ, ในตัวของเราเองแล้วสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามากก็จะพาไปเดียวกันถ้าตื่นอะไรมีงเงี้ยวปัญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจะนะทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการต่างห่วงคอยทุกด้านนั่นคืมันจุดอะไรเอาละไม้องรู้สึกเหนื่อยพอ ฟังพิธีที่ท่านเอาชนะเอ า, นาชนะกิเลสตัณหา น, านาี่นะถ้าเพื่อพวกเราฟังพวกเราก็สามารถที่จะนำพิธีดังอย่างนั้นมาปฏิบัติมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้ ใจของเรามีความเป็นธรรมจติธรรมสมาจีธรรมถ้าเผื่อไม่มาฝึกปฏิบัติเพื่อให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นอนํานาจของกิเลสอํานาจของตัณหานั้นน่ะมันไม่มีการลดละอยู่เฉยๆมันไม่มีการลดละออกจากดวงจิตดวงใจของใคร ฟังให้มันเป็นประโยชน์เพราะพวกเราต้องการเป็นประโยชน์ทำประโยชน์อยู่แล้วนิพพานเข้าใจการฟังการฝึกวันนี้เห็นว่าพอสมควรแจเวดาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาเะเนี่ยอาบวกยมเลิกไปก่อน <c oughs>